ตอนรับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนรุ่งอรุณคือว่าหลายคนยังไม่เคยมาที่วัดป่าสุกโตในลักษณะนี้หรือไม่เคยมาก่อนเลยก็ได้นะที่นี่แต่ก่อนนี้มันมีหินอยู่แผ่นหนึ่งมีข้อความว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้านะมีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จัก ไม่มีใครไม่มีใครที่เป็นคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักถึงแม้พวกเราจะเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นมิตรกันไม่ใช่เป็นมิตรเฉพาะกับผู้คนพระเนรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาแต่ก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมก็เป็นมิตรกับพวกเราสิงสารสัตว์ทั้งหลายในป่านี้ก็เป็นมิตรกับพวกเรา แล้วถ้าพวกเราวางใจเป็นมิตรกับสิ่งเหล่านี้นะเราก็จะอยู่ที่นี่ได้อย่างมีความสุขก็ใจว่าโรงเรียนยังไม่เปิดนะแต่ก็ถือว่าการมาของเราในช่วงหลายวันจากนี้ไปก็ถือว่าเป็นการเรียนชนิดหนึ่งนะเรามาเรียนวิชาที่ชื่อว่าวิชาชีวิต วิชาชีวิตนี้ไม่เคยได้สอนกันในโรงเรียนทั้งหลายเท่าไหร่ในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็สอนนะวิชาคณิตศาสตร์อังกฤ ษ, ษภาษาไทยวิทยาศาสตร์ภษษูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นะวิชาเหล่านี้ก็มีประโยชน์นะช่วยในการทำมาหากินนะช่วยให้เราสามารถที่จะเรียนต่อแล้วก็ได้รับปริญญาได้ปริญญาแล้วก็สามารถจะหางานทำได้ได้ง่าย หรือว่าง่ายกว่าคนที่ไม่มีปริญญาอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษของเมืองไทยแล้วก็อีกหลายประเทศนะเพราะาบางประเทศอย่างเช่นในยุโรปในอเมริกาปริญญามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าเมืองไทยเรายังให้ความสำคัญกับเรื่องปริญญาวิชาชีวิตนี่ไม่มีปริญญาให้นะแต่ว่าถ้าเราเรียนจบหรือว่า เรียนได้มาพอสมควรเนี่ยมันจะทําให้เรามีความสุขเป็นสุขที่ยั่งยืนด้วยแล้วก็สามารถที่จะเกื้อหนุนให้เราประสบความสําเร็จที่ยั่งยืนด้วยเหมือนกันวิชาที่เราเรียนที่โรงเรียนส่วนใหญ่นะอย่างที่บอกก็คือมันช่วยในการทํามาหากินแล้วก็รวมทั้งช่วยในการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆภายนอกแต่ถึงแม้เราจะเรียนเก่ง แล้วก็เราสามารถที่จะได้อาชีพที่มีผลตอบแทนสูงแต่มันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันนะว่าเราจะมีความสุขที่ยั่งยืนได้ถึงแม้เงินเดือนจะมากก็ตามมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะแกตั้งเป้าตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะว่าเมื่อเรียนจบแกจะ หาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตั้งเป้าว่าอายุสามสิบก็ต้องมีเงินอย่างน้อยสิบล้านสิบล้านนี่นะมันหมายถึงเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วนะแล้วก็ไม่ใช่ล้านบาทนะแต่มันสิบล้านดอลลาร์แล้วพอถึงสามสิบเขาก็ได้มากกว่าที่เขาตั้งใจไว้ซะอีกนะยี่สิบล้านแต่ว่า สุขภาพเขาแย่ yeah. เป็นโรคที่นอนไม่ค่อยหลับและมีน้าซ้าครอบครัวเขาก็แตกแยกเขาแต่งงานก็อยู่กับภรรยาได้ไม่นานก็หย่า ก, กันลูกที่เกิดขึ้นก็ไม่มองหน้าเขาเลยเพราะเขาไม่มีเวลาให้กับครอบครัวไม่มีเวลายกับลูกเขาทุ่มเทไปแต่เรื่องการทำมาหาเงิน ตัวเองก็เครียดนะสุขภาพก็แย่ความสัมพันธ์กับคร อ, อบครัวคนใกล้ชิดก็ไม่ดีอย่างนี้จะเรียกว่ามีความสุขได้ไหมอันนี้ก็เรียกว่าสอบตกวิชาชีวิตนะแต่ก็ยังดีกับบางคนนะเป็นเศรษฐีนะมีเงินร้อยล้านพันล้านแต่ว่าเป็นโรคประสาทบางคนก็ติดยา มีเยอะทีเดียวนะอายุบางทีก็ไม่มากนะบางคนก็อยยุแค่สี่สิบนะธุรกิจก็เป็นร้อยร้านแต่ว่าไม่รู้จะเอาตัวล่อหรือเปล่าพอติดยาก็ทะเลาะกับสามทะเลาะกับภรรยานไม่รู้ก็จะหาความสูงได้จากอะไระ ก, ก็หวังพึ่งยาแล้วคนที่หวังพึ่งยานี่จะ มีความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างไรหลายคนก็ร่ำรวยมากกว่า น, นั้นแต่สุดท้ายก็ค่าตัวตายเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็มีเศรษฐีชาวเยอรมันคนหนึ่งแกมีชื่อมากนะเพราะว่าแกเป็นคนที่คิดค้นการทำให้คนแก่นี่มีหน้าตาที่เต่งตึงนะ เดี๋ยวนี้เราคงรู้จักนะวิธีการทําให้หน้าตาเต่งตึงทําให้คนแก่ดูหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นด้วยวิธีการฉีดบท็อกหรือว่าการดึงหน้าเดี๋ยวนี้คนแก่นี่ถ้าอยากทําให้หน้าตาเต่งตึงก็ต้องไปดึงหน้าไปฉีดบอทท็อกคนที่คิดเนี่ยก็คือฝรั่งคนนี้แหละแล้วก็รวยไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าคนรวยๆก็มาหาให้เขาทํา เขาสามารถทําให้หน้าตาคนอื่นเต่งตึงได้แต่ว่าตัวเองนี่เอาตัวไม่รอดนะฆ่าตัวตายเมื่อเดือนที่แล้วยยอายุแค่เจ็ดสิบสามารถจะอยู่ได้อีกนานกว่า น, นี้แต่ว่าเอาตัวไม่รอดทําให้คนอื่นหน้าตาต่งตึงได้แล้วก็ร่ํารวยมากเหลือเกินอันนี้ก็เรียกว่าสอบตกวิชาชีวิตนะนั่นเดี๋ไปมองข้ามนะวิชาชีวิตถึงแม้ว่ามันจะ ไม่ให้ประกาศนิบัตรไม่ให้ปริญญากับเราแล้วก็อาจจะไม่มีการวัดเกรดวัดผลนะวิชานี้เอาไปทำมากินก็ไม่ได้แต่ว่ามันสามารถจะทำให้เรามีความสุขได้เพราะว่าเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากทั้งในการเรียนทั้งในหน้าที่การงานนะซึ่งมันต้องมีแน่นอนนะพวกเรานะเมื่อเรา ทุกวันนี้เราก็เจออยู่แล้วนะแต่อาจจะไม่มากเท่ากับตอนที่เราเรียนจบแล้วก็มีอาชีพการงานมีครอบครัวแม้ว่าจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะว่าเรียนเก่งความรู้เยอะแต่ว่าพอเจออุปสรรคเจอความยากลําบากนะเจอแรงเสียดทานนะ ทำงานแล้วไม่ได้ผลบ้างหรือว่ามีคนอิจฉาบ้างมีคนกันแกล้งบ้างได้เจ้านายที่ไม่เอื้อเฟื้อเนะี่ยไม่เข้าใจเพื่อรวงงานก็อิจฉาก็เครียดได้นะเจอแบบนี้เนี่ยถ้าขาดวิชาชีวิตนะก็จะ มีแต่ความทุกข์แล้วก็ซ้ำเติมตัวเองด้วยการสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆวิชาชีวิตเนี่ยมันมีวิชาย่อยนะวิชาหนึ่งก็คือการรักตัวเองคนเนี่ยถ้าเรานะถ้าไม่รู้จักรักตัวเองนี่นะมีอะไร ก็สามารถจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นได้มีเงินก็ทุกข์เพราะเงินมีแฟนก็ทุกข์เพราะแฟนพูดถึงการรักตัวเองเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันต้องเรียนด้วยหรือเพราะว่าการรักตัวเองมันก็เป็นสัสญชาติญาณพื้นฐานคนเราอยู่แล้วก็จริงนะว่าทุกคนรักตัวเองแต่ว่าส่วนใหญ่รักตัวเองไม่เป็นนะ เรารักตัวเองไม่เป็นเราชอบซ้าเติมตัวเองจริงอยู่เราจะรู้จักหาความสะดวกสบายทางกายแต่ว่าไอ้เรื่องจิตเรื่องใจเรากลับทำร้ายตัวเองบ่อยครั้งเช่นเวลาเพื่อนต่อว่าเราถ้าเรารักตัวเองเป็นเรารักตัวเองอแท้จริงนะ เราก็ไม่เก็บเอาคำของเขาเนี่ยมาทิมแทงใจตัวเองทุกครั้งที่เราเอาถ้อยคำของเขาคำต่อว่าของเขาคำเสียดสีของเขามาทิมแทงใจตัวเองนั่นแหละเราจะเรียกว่าราักตัวเองได้ไหมคนที่รักตัวเองไม่ทําอย่างนั้ น, เ, นเวลาเงินหายเวลาโทรศัพท์หายคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะ ยอมให้เสียแต่โทรศัพท์แต่ว่าไม่กัดกลุ้มไม่เสียใจเพราะว่าถ้าเสียใจใครทุกนะเราทุกเองแต่ถ้าเสียใจมากๆนะจนไม่กินไม่นอนกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยมันก็แสดงว่าเราไม่ได้รักตัวเองแล้วล่ะเรารักโทรศัพท์หรือเรารักเงินที่เพื่อนโกงไป มมีครูคนหนึ่งนะถูกเพื่อนโกงไปให้เพื่อนให้เงินเพื่อนยืมนะเป็นแสนนะแล้วเพื่อนก็โกงไปเธอก็เสียใจเสียใจมากไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเดือนนะร่างกายภายพร้อม ถ้าไม่เป็นไม่มีกำลังทำงานเลยทั้งกำลังกายและกำลังใจพ่อแม่ก็บอกให้กินเธอให้พักผ่อนเธอเธอก็ไม่ยอมเหมือนกับว่าจะประชดชีวิตอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองหรือว่ารักเงินนะคนส่วนให ญ, ญ่คิดว่าตัวเองรักเงินแต่ที่รักตัวเองแต่ที่จริงรักเงินมากกว่ารักข้าวของนะไม่ได้รักตัวเอง ้ารักตัวเองเนี่ยจะไม่ยอมให้ความทุกมากัดกินใจของตัวเมื่อมีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความเสียใจก็จะรีบปล่อยนะรีบสลัดมันทิ้งไปแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นยังไงนะเก็บเอาไว้ข้ามวันข้ามคืนเป็นอาทิตย์ยิ่งถ้าเกิดถูกแฟนทิ้งเนี่ยโอ้นะ เหมือนกับว่าอยากจะอยากจะจมหายไปจากโลกนี้นะกินไม่ได้นอนไม่หลับอีกเหมือนกันอันนี้เลยว่าซ้ำเติมตัวเองนะเวลาสอบได้ต่าเกรดต่ำกว่าที่คิดไว้แทนที่จะนั ก, น ก, น ก, นกตัง้งหน้าตั้งตาทำให้มันดีขึ้นแก้ตัวใหม่ ก็เอามากรุ่ม อ, อกกรุ่มใจนะเวลาเล่น Facebook นะอัพโหลดภาพภาพเซลฟี่เพื่อนไม่กดไลค์เสียใจนะกรุ่มใจแครนเพื่อนอีกนะและยิ่งเพื่อนคอมเมนต์ไม่ถูกใจนะก็ยิ่งโกรธนะน้อยอเนื้อต่ำใจ บางทีถึงกับอยากตายอันนี้เราวรักตัวเองเลยคนที่รักตัวเองแท้จริงนี่เขาจะต้องหาทางนะปลดเปลื้องความทุกข์ออกไปจากใจร่างกายเรานะเวลานิ้วเราเนี่ยหรือมือเราเนี่ยมันไปโดนไฟนะโดนน้ําร้อนนะเช่นมือไปถูกกาที่ร้อนเดือดนะมือเราทํำยังไง มนรีบชักออกเลยรีบชักออกจากไฟรีบชักออกจากน้ำร้อนที่เดือดหรือถ้าเป็ น, น้นาแหลมก็รีบนะแค่ถูกไม่ทลายเนี่ยมันก็รีบดึงออกมาเลยแต่ใจเราเนี่ยนะเวลามันโดนไฟโทสะนะมันกลับปล่อยใจให้แช่อยู่ในอยู่ให้ไฟโทสะมันเผา นะเก็บความโกรธเอาไว้แทนที่จะยกจิตออกจากความโกรธหรือสลัดความปวดไปจากใจเนี่ยกลับให้ใจมันแช่อยู่กับความโกรธแช่อยู่กับความเศร้าเวลาโกรธเนี่ยเพื่อนมาบอกว่าให้อภัยก็เถอะเรายอมไหมเราไม่ยอมให้อภัยแล้วการโกรธมันดีกับเราหรือเปล่านะมันทำให้นอนไม่หลับ ทำให้ความดันขึ้นหรือว่าทําให้มีสิวด้วยนะไม่ดีกับเราสึกอย่างนะแล้วเก็บความกลัวไปทําไมก็เพราะไม่รักตัวเองเนี่ยเวลาเศร้าเสียใจเนี่ยมีเพื่อนชวนไปเที่ยวไม่ยอมไปนะอาจจะเศร้าเพราะว่าเพื่อนหรือแฟนทิ้งหรือแฟนพูดไม่ถูกใจเราเนี่ยก็เศร้าอยูน่น ไอ้พวกนี้เนี่ยมันมีมันไม่ใช่ทําให้เรามีความสุขเลยนะความโศกความเศร้าวความน้อยใจคนที่รักตัวเองจะต้องรีบสลัดมันออกไปจากใจไม่เก็บไม่ประครบประโงมมันเอาไว้แล้วเราทํำยังไงนะในความจริงเนี่ยเรากับประคบประโงมันเอาไว้นี่เรารักตัวเองหรือเปล่าเวลาเราอยู่นี่เนี่ยนะอากาศก็ร้อนอยู่แล้วนะ ความสะดวกสบายก็ไม่ค่อยมีเหมือนที่บ้านแต่ว่าถ้าเราลักตัวเองจริงนะมันก็แค่ไม่สะดวกสบายทางกายนะแต่ถ้าเราไม่ลักตัวเองเนี่ยมันก็จะคิดไปบ่นไปนะนั่งไปก็บ่นไปนะไม่น่ามาเลยหรืออากาศทำไมร้อนอย่างนี้นะอยู่ยังมีความทุกข์นะแทนที่จะทุกข์กายอย่างเดียวก็ทุกข์ใจด้วย คนที่รักตัวเองเนี่ยเาจะทุกข์แต่กายนะแต่ใจเขาไม่ทุกข์นะเาจะพยายามทำให้ใจนี่เป็นสุขหรือเป็นปกติให้ได้ยิ่งไม่สะดวกสบายกายยิ่งต้องรักษาใจให้เป็นปกติไม่ใช่ซ้ำเติมตัวเองเอาแต่บนนะนะอากาศร้อนนะนอนก็ไม่มีพัดลมไม่มีแอรนะ์อาหารก็ไม่ถูกปาก ลอกยิ่งบนเนี่ยนะใครทุกข์นะก็เราทุกข์เองคนที่รักตัวเองนะคนที่ฉลาดเขาจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ส่วนกายนี่มันจะทุกข์ยังไรก็ห้ามไม่ไดนะ้อากาศร้อนนี่ห้ามมันไม่ได้นะ ถ้าลองถามตัวเองนะจริงๆเรารักตัวเองแค่ไหนเราทําร้ายตัวเองเป็นประจำเราอาจจะปนเปื้ตัวเองทางกายหาอาหารอร่อยมาหาเสื้อผ้าอร่อยให้กับตัวเองหาเสื้อผ้าที่สวยงามนะให้กับร่างกายของตัวเองอาหารที่อร่อยให้กับร่างกายของตัวเนะีเวลาอาบน้ําก็เนะีย ขัดสีชวีวันร่างกายให้สะอาดเวลาจะไปไหนก็แต่งหน้านะทำผมแต่ว่าใจเราเราทำอะไรให้กับใจเราบ้างเราดูแลใจเราแค่ไหนนะนอกจากจะไม่ได้ดูแลใจแล้วกลับซ้าเติมหาความทุกข์เอาความโศกความเศร้าวความโกรธความหงุดหงิดนะความหนักอกหนักใจมาซ้าเติมจิตใจตัวเองร่างกายของเรานะ เวลากินอาหารที่มันมีพิษนะมันจะรีบถ่า ย, ยาทันทีถ่ายออกทางปากบ้างคืออาเจียนถ่ายออกทางทวารบ้างนวก็คือท้องร่วงแต่ถ้าเกิดว่ามันมีทุกมันมีพิษในใจเนี่ยกับหัวงกับแหงพิษมันเอาไว้นะเราเคยคิดที่จะเอาพิษที่มัน ทำร้ายจิตใจเราเนี่ยออกไปบ้างหรือเปล่าเก็บกลับเก็บสะสมมันเอาไวนะ้อันนี้ก็เป็นการไม่รักตัวเองอีกแบบหนึง่งนะแต่ถ้าเราจะรักตัวเองนะต้องนะให้ความสําคัญกับการดูแลจิตใจของเราด้วยไม่ใช่แค่ดูแลหรือว่าปนเปลือแต่เฉพาะร่างกายนะเราปนเปลือนะร่างกายมามากพอแล้ว หาอาหารอร่อยเสื้อผ้าที่สวยงามนะเตียงที่อ่อนนุ่มนะหรือว่าเพลงนะที่มันสนอหูหนังที่มันนะบนเปิดตาของเรานะแต่ว่าใจเราทำอะไรให้เขาบ้างหรือเปล่าเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยเรามีความสุขไหมถ้าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีวิทยุ ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยเราอยู่ได้ไหมหลายคนนี่ถ้าไม่มีโทรศัพท์นี่จะกระจั ก, กระสับกระสายทันทีทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้อดอยากอาหารก็มีกินนะที่พักก็สะดวกสบายแต่พออยู่ตัวอยู่กับตัวเองเมื่อไรนี่กระสับกระสายทันทีต้องมีโทรศัพท์เพื่ออะไรนะ เพื่อจะได้หนีจากตัวเองหลายคนเนี่ยทนอยู่กับตัวเองไม่ได้นะอยู่กับตัวเองไม่หลายนี่เป็นอันทุรนทุรายกระสับกระส่ายลองสังเกตดูนันในช่วงจากนี้ไปในช่วงที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยถึงแม้เราอยู่กันหลายคนแต่ว่าพ อ, อาไม่ได้อนุ ญ, ญาตให้คุยกันหรือว่าไม่ได้อนุ ญ, ญาตให้โทรศัพท์เล่นเฟนะดูหนังไปเที่ยวห้างเนี่ย นั่นคือช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองแท้จริงแล้วเราอยู่ได้ไหมยิ่งถ้าไปอยู่กุติคนเดียวนะไม่ต้องกลางคืนได้แค่เอาแค่กลางวันหลายคนก็อยู่ได้แค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละก็กระสับกระส่ายแล้วอยากจะออกไปคุยกับคนโน้อนออกไปเดินเล่นนะถ้าเป็นบ้านก็ต้องออกไปเที่ยวห้าง อันนี้พ่ออะไ ร, รู้ไหมพ่อเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้คนสมัยนี้เนี่ยอยู่กับตัวเองได้ยากเหลือเกินอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ต้องพยายามมาทางหนีออกไปเจอผู้คนหรือไม่ก็โทรศัพท์หาเล่นเฟซเล่นไลน์เที่ยวห้างดูหนังฟังเพลงทั้งหมดนี่เราถามใจตัว เ, เอง ลึกๆ ก, ก็จะพบว่ามันก็คือการพยายามหนีตัวเองมันแสดงว่าเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แล้วเราจะเรียกว่าราักตัวเองได้อย่างไรนะคนที่รักตัวเองเนี่ยยิ่งมีความสุขยิ่งพอใจที่ได้อยู่กับตัวเองเรารักอะไรเราก็อยากจะอยู่ใกล้สิ่งนั้นรักโทรศัพท์ก็อยากอยู่ใกล้โทรศัพท์รักพอ่อรักแม่ก็อยากอยู่ใกล้พอ่อแม่นะ รักแฟนก็อยากอยู่ใกล้แฟนแต่ทำไมรักตัวเองถึงไม่อยากอยู่กับตัวเองนะต้องพยายามหาทางนียากตัวเองให้ได้ถ้าเป็นกันหมดนะอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ก็จะเหงาก็จะเบื่อนะก็จะกระสับกระส่ายวิชาชีวิตเนี่ยนะมันช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่กับตัวเองได้แล้วก็รักตัวเองได้อย่างแท้จริงนะ มีความเมื่ออยู่คนเดียวก็มีความสุขนะใจสงบนะไม่กระสับกระส่ายเพราะว่าเรามีกายเป็นบ้านของใจคนทั้งวันนี้เนี่ยมีแต่บ้านสแสวงหาแต่บ้านที่คุ้มกายหรือสแสวงหาบ้านให้กับกายแต่ไม่มีบ้านให้กับใจ ไม่รู้ว่าบ้านของใจอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่เคยคิดว่าใจของเราต้องการบ้า น, นผลก็คือใจของเรามันกลายเป็นเหมือนกับคนจรจัชนะตุระตุเรนะกระเซาะเรียกว่ากระเซาะกระเซิงนะสังเกตดูเวลาเราอยู่นิ่งๆเนี่ยใจเราไปแล้วนะไอ้ใจที่มันไปโน่นไปนี่นะระเหรเร่ร่อน ตุระตุเรเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นกระเซาอกระเซิงไปไอ้ใจที่มันอยู่ไม่สุขเนี่ยมันก็เลยทำให้อยู่นิ่งไม่ได้ทำให้ตัวเราอยู่นิ่งไม่ได้นะต้องทำ ต, งต้องไปนู่นต้องไปนี่ต้องหาหาคนคุยนะจึงอยู่กับตัวไม่ได้แต่เมื่อใ่ก็ตามที่เราสามารถจะรักษาใจให้อยู่เป็นที่เป็นทางเพราะเขามีบ้านบ้านนี้คืออะไรนะอาจจะได้กระลมหายใจ อาจจะได้แก่มือที่เคลื่อนไหวไปมานะอันนี้เราสามารถทำกายให้เป็นบ้านของใจได้อยู่คนเดียวก็ตามลมหายใจไปก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็คลึงนิ้ไปก็มีความสุขนะไม่ต้องไปหาความสุขจากที่ไหนก็ได้เมื่อเรามีใจนะเมื่อใจเราเนี่ยมีบ้านนะบ้านนั้นคือกาย เมื่อใจมาอยู่กับกายก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นไอ้ความรู้สึกตัวเนี่ยนะจะเรียกว่าเป็นนะเป็นบ้านของใจก็ได้เหมือนกันนะมันเหมือนกันนะเมื่อใจมาอยู่กับกายนะใจก็สงบนิ่งเมื่อใจอยู่กับกายความรู้เนืรู้ตัวก็เกิดขึ้นเขาเรียกว่าความรู้สึกตัวเมื่อเกิดความรู้สึกตัวขึ้นใจก็สงบโปร่งเบา การอยู่คนเดียวไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปและเวลาเรามีความทุกข์นะมีใครมาต่อว่าเราทำให้จิตใจขุ่นมัวเราก็จะรู้ทันว่ามีความขุ่นมัวเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็จะไม่ปล่อยให้มันครอบงาใจนะก็จะหาทางก็จะรู้จักสลัดมันทิ้งไปนะหรือผู้ใหญ่คือว่าไม่แบกมันเอาไว้ ไม่ยึดมันเอาไว้ให้อารมณ์ต่างๆที่พูดมาเนี่ยความโกรธความเศร้าวความเสียใจที่มันทำให้เราทุกกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆนะมันเป็นเพราะว่าเราไปประคบปะงมไปไปประคองมันเอาไว้ไปแบกมันเอาไว้ในเมื่อมันทิมแทงใจเราในเมื่อมันเผาใจเราบีบคั้นใจเราทำไมเราถึงประคับประคอง หวงแหมันเอาไว้นะคนที่ฉลาดนะเข้าใจนะในวิชาชีวิตนะรู้จักรักตัวเองเขจะปล่อยมันเลยหรือว่าถ้าฉลาดจริงๆเนี่ยก็จะไม่ไปไปแบกมันมันไว้ตั้งแต่แรกเมื่อก้อนหินนะก้อนหินเนี่ยมันหนักก็จริงแต่ถ้าไม่ไปแบกมันเหนื่อยไหมมันทุกข์ไหมอารมณ์ เนะอาลมต่างๆเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเหมือนก้อนหินนะมันไม่มีน้ำหนักก็จริงแต่มันถ้ามันถ้าเราไปแบกมันเมื่อไหร่นะก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาเกิดความร้อนใจขึ้นมาเพียงแต่เราวางมางันลงนะไม่หวงแหนมันต่อไปใจเราก็สบายนะถ้าเราเข้าใจวิชาชีวิตนี่จะรู้เลยนะว่าทุกเนี่ยนะ เลยพอทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากใครทำให้ไม่มีใครทำให้เราทุกข์ใจได้นอกจากตัวเราเองหรือนอกจากใจที่ที่โง่นะใจที่ไม่ฉลาดใจที่นะไม่มีปัญญาใจที่ไม่มีสติพอเห็นนี่แหละนะที่นี่เนี่ยนะ จึงพยายามที่จะสอนเรื่องสติเรื่องปัญญาให้กับเรานะเป็นการเติมเพิ่มสมรรถนะอย่างใหม่ให้กับใจของเราเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มสเปกนะถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มสเปกหรือเพิ่มฟิวเจอร์ให้ใจเราเนี่ยก็ต้องเติมหรือเพิ่มนะให้ฟิเจอร์หรือสเปกอันนี้ให้นะคือปัญญาและสติ ถ้ามีแล้วเนี่ยมันจะช่วยปลดเปลื้องความทุกข์เอกไปจากใจเราได้มันจะช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์ต่างๆเรานี้เข้ามาบีบคั้นเผาลนทิมแทงใจเจอแรงเสียดทานในที่ทํางานหรือว่าเจอแรงเสียดทานในโรงเรียนในห้องเรียนนะในหมู่เพื่อนใจก็ไม่ทุกข์ไอแรงเสียดทานเนี่ยหรืออุปสรรคสิ่งที่ไม่สมหวังไม่ถูกใจเนี่ย ไม่มีทางหนีพ้นนะถ้าเรียนวิชาชีวิตจะรู้เลยว่ามันเป็นธรรมดาโลกนะการประสบกับสิ่งไม่รักการพัดพลาดจากสิ่งที่รักไม่ว่าสิ่งที่เรารักนั้นจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเช่นหน้าตาชื่อเสียงรูปธรรมเช่นความสวยงามทรัพย์สินเงินทองนะไอของพวกนี้เนี่ยมันมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอน แล้วก็มันมักจะมักจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ชอบหรือว่าต้องพัดพราดจากสิ่งที่ชอบไปแต่ถ้าเราเรียนรู้เรื่องวิชาชีวิตนะเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเหตุการณ์เรื่องราวเหล่านี้เพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดานอกจากนั้นเรามีวิชา ที่จะช่วยปัดเป่าความทุกข์นั้นออกไปจากใจได้นะเรามีสติเรามีปัญญาเรามีความอดทนนะขันตนะิความอดทนนะรวมทั้งความรู้จักคอยนะทั้งหมดนี้เนี่ยมันช่วยทาให้ความทุกข์เนี่ยครอบงาหรือเล่นงานจิตใจไม่ได้ถ้ารักตัวเองใหญ่ตัวเองมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยหนุนให้ความสำเร็จนะเป็นเป็นไปได้นะอย่างยั่งยืนเท่าที่จะเป็นไปได้เนี่ยนะมันก็ต้องใส่นะความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิชาชีวิตนะซึ่งก็เป็นทั้งความเข้าใจในเรื่องของจิตใจของเราและความเข้าใจในเรื่องโรคและชีวิตที่อยู่รอบตัวเรา นั่นที่เรามาที่นี่เนี่ยนะขอให้ถือว่าเรามาเรียนวิชาที่สำคัญเวลาเจวันก็ถือว่าน้อยนะเมื่อเทียบกับวิชาที่เราเรียนมามากมายวิชาที่เราเรียนในโรงเรียนหลายปี12ปีแล้วก็ไปต่ออยตรยเอาายอีก4ปีถ้าปริญญาเอกปริญญาโทเอกอี ก, อก4ปีปีนะ มันกี่ปีนะยี่สิบปีบางวิชานี้ไม่ได้ใช้เลยนะเรียนมาเป็นสิบปีนี่ไม่ได้ใช้เลยนะมีบางคนนี่เรียนหมอจนจบนะแต่ว่าพอจบแล้วก็เลือกไปเป็นช่างภาพนะ <c oughs> ก็บอกว่าเนี่ยที่เรียนหมอเพราะว่าพ่อแม่อยากให้เรียน เรียนจบแล้วทำตามทำตามใจพ่อแม่เสร็จแล้วขอทำตามใจตัวเองบ้างคือเป็นช่างภาพไอวิชาวิทยาศาสตร์เคมีนะี่ยสติเตห่างที่เรียนมานี่ไม่ได้ใช้เลยนะเรียนเร้ก็ไม่ได้ไปทำมาหากินเรียนมาสิบปีบางทีภาษาอังกฤษเรียนมาสิบปีก็ทิ้งลืมหมดนะหรือไม่นับหรือไม่ก็เป็นวิชาที่มัน มีความรู้ใหม่เข้ามาแทนที่ความรู้เก่าก็ใช้ไม่ได้แต่วิชาชีวิตเนี่ยมันได้ใช้แน่นะแม้จะเรียน7วันก็ได้ใช้เรียน3วันนะถ้าเรียนจริงจ ก, ก็ได้ใช้นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันจะทำความทุกข์ให้กับเราเนี่ยมันจะมีมาเรื่อยเรื่อยนะแต่ถ้าเราฉลาดเราก็จะรู้จักหลบจากหลีรู้จักปัดเปล่ารู้จักปล่อยรู้จักวาง ยังก็ขอให้เรานะตั้งใจเรียนนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสะดวกสบายเหมือนกับที่เราอยู่ที่โรงเรียนนะทั้งเรื่องการกินการนอนนะแต่ว่าไอ้ความยากลำบากเนี่ยก็เป็นส่วนของการเรียนนะถ้ามันสบายเนี่ยเราก็จะเรียนรู้ได้ไม่มากแต่ถ้าลำบากเราจะเรียนรู้ได้เยอะเหมือนกับเพื่อนเราหรือว่ารุ่นพี่เราหลายคนเขาก็เรียนได้มากนะจากการไปเดินธรรมยตรานะ ธรรมยาตาเนี่ยจัดทุกปีก็จะมีนักเรียนมสี่รุ่นรุนไปเดินนะเดินแล้วก็ลำบากนะ ล, ลำบากก็นี่เยอะตากแดดนอนกลางดินกินกลางทรายห้องน้ำก็ไม่สะดวกนะลำบากก็นี่เยอะเลยแต่ว่าหลายคนก็ได้เรียนรู้มากปีต่อไปถึงแม้ว่าไม่มี หน้าที่ที่จะต้องมาเดินธรรมยาตราเพราะครูไม่ได้สั่งแต่ว่าตัวเองก็มาเข้ามาอันตายแล้วก็ยังมาเดินอีกนะเพราะว่าเห็นประโยชน์นะมันช่วยเติมไหลายหลายให้กับจิตใจทั้งความเข้มแข็งทั้งความอดทนแล้วก็ความสุขด้วยนะอั้นที่เราเจอความยากลาบากนะในระหว่างที่อยู่ที่นี่ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งการเรียนรู้นะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีวิต ซึ่งที่จริงมันน่าจะลำบากกว่านี้นะแต่ว่าเท่านี้ก็พอสมควรสำหรับพวกเราในชั้นนี้เอาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะเอากลับพระ